ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับในบ่ายวันนี้ที่พระเจ้าได้มีโอกาสมาแบ่งปันพระวจน <Subscribe> ะให้กับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะคะครั้งแรกตอนนั้นข้าพเจ้ามาเาฝึกงานครั้งแรกนะคะอยู่ปีสองตอนนี้อีกหนึ่งเดือนข้างหน้านะคะจะจบแล้วนะคะจะจบปีที่สี่แล้วก็มาฝึกงานที่นี่สามครั้งนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนเดิมนะคะที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้านะคะ ก่อนที่เราจะฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันให้เราร่วมใจกันอธิษฐานค่ะข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับเวลานี้ที่ฟังไปทุกคนได้มีโอกาสมามัสการพรงร่วมกันได้มีโอกาสที่จะฟังถึงพระวจนะของพระองค์ร่วมกันขอพรุองค์จะสถิตยอยู่ท่ามกลางข้ามหมายทุกทุกคนด้วยเพื่อเวลาเจ้าค่ะและให้พระวจนะของพระองค์ในใบวันนี้ที่จะให้พี่น้องได้นําไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป ขอมอบเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าศักกวาหน้าร้อนนอนอาบเหงื่อจะถอดเสื้อถอดแสงก็ไม่หายอยากแช่น้ำในอ่างพอสบายแต่เสียดายค่าน้ำยาจสายตังจะเปิดแอร์ให้เย็นจนชุ่มฉ่ำแต่ก็ทำไม่ได้ดั่งใจหวัง ก็แอเก่าแอแก่แลจะพังเปิดก็ดังเสียงฟี่มีแต่ลมก็อนนี้ก็เป็นก้อนสำหรับเดือนเมษายนนะคะเป็นฤดูร้อนนะคะทีะ่จากที่ทุกทุกเดือนเนี่ยเราก็ร้อนอยู่แล้วใช่ไหมคะพอถึงเดือนเมษาเนี่ยก็ยิ่งร้อนขึ้นไปอีกนะคะบางคนก็ร้อนทั้งกายร้อนทั้งใจนะคะขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้เรามีประเพณีที่งดงามนะคะ <c oughs> นั่นก็คือประเพณีสงกรานต์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะก็คืออาทิตย์ที่แล้วเอเชื่อว่าหลายๆคนก็ได้มีโอกาสที่จะเล่นน้ําหรือว่าทํากิจกรรมอะไรต่างๆนะคะภาษาเหนือนะคะเรียกว่าปีใหม่เมืองนะคะก็ข้าพเจ้าเป็นคนเชียงรายนะคะก็เขาจะเรียกว่าปีใหม่เมืองนะคะสงการานต์หรือปีใหม่เมืองนะคะถือเป็นประเพณีที่ งดงามที่ควรจะรักษาไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อๆกันไปนะคะและในช่วงนี้เองเป็นช่วงที่ครอบครัวนะคะได้มีโอกาสที่จะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าลูกที่อยู่ต่างจังหวัดก็ได้มีโอกาสที่จะไปเจอพ่อแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าบางคนก็มาที่กรุงเทพหรือว่าแต่ละคนนะคะก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะบางคนก็ลดน้ําดําหัวขอพรผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ เมื่อพูดถึงครอบครัวนะคะครอบครัวจะเป็นสถาถึงแม้ว่าครอบครัวเนี่ยจะจะเป็นสถาบันเล็กๆนะคะแต่ว่าเป็นรากฐานที่สำคัญของสังคมเลยก็ว่าได้นะคะถ้าครอบครัวดีครอบครัวเข้มแข็งชุมชนและสังคมก็พลอยเข้มพลอยเข้มแข็งไปด้วยแต่ถ้าสถาบันครอบครัวล้มเหลวคะชุมชนและครอบครัวก็พลอยล้มเหลวนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้ ปัญหาครอบครัวถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติอีกปัญหาหนึ่งปัญหาหนึ่งนะคะที่ควรจะได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนะคะส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นในข่าวใช่ไหมคะที่ลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่เพื่อที่จะเอาสมบัติหรือพ่อบางคนทําลายลูกข่คมขืนลูกหรือว่าลูกทำร้ายแม่แม่ทําลายลูกคือต่างๆนะคะที่เราจะเห็นในข่าวปัญหาในสังคมปัจจุบันนี้กเ็เปลี่ยนไปจากเดิมมากนะคะ แล้วปัญหาเหล่านี้จะแก้ไขอย่างไรคะจะเป็นครอบครัวที่ดีได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราซึ่งเป็นครอบครัวคริสเตียนเป็นครอบครัวขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะเป็นครอบครัวที่ดีตามแบบพระคริสต์ได้อย่างไรคะให้เราศึกษาด้วยกันนะคะในบายวันนี้ข้าพเจ้าให้หัวข้อเทศนาว่าครอบครัวที่ดีตามแบบพระคริสต์หาครอบครัวที่ดีตามแบบพระคริสต์ พระวจนะของพระเจ้าที่อาจารย์เปาโลนะคะได้เขียนถึงพี่น้องในเมืองเอเฟซัสเมื่อกี้ที่ผู้นำได้อ่านไปนะคะได้ทําให้เราเห็นถึงบทบาทของลูกที่มีต่อพ่อแม่และพ่อแม่บทบาทของพ่อแม่ที่มีต่อลูกนะคะพระเจ้าอยากจะแบ่งปันสองประการด้วยกันนะคะในบ่ายวันนี้นะคะก่อนที่เราจะฟังประการด้วยกันเถิ ยิ้มหน่อยได้ไหมคะทุกคนรู้สึกว่าแต่ละคนนี่คือแบบโอ้เคร่งเครียดมากเลยนะคะขอยิ้มหน่อยนะคะเพื่อที่ว่าคนที่แบ่งปันก็ได้มีสันติสุขด้วยแล้วก็ทั้งคนฟังแล้วก็คนที่แบ่งปันนะคะประการแรกนะคะลูกรักะคะ่ะลูกรักในข้อที่หนึ่งข้อที่สองได้บอกว่าฝ่ายบุตรจงนบนอบเชื่อฟังบิดามารดาของตนในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะกระทาอย่างนั้นเป็นการถูกจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า นี่เป็นบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญาไว้ด้วยนะคะพระวจนะของพระเจ้าได้บอกว่าให้บุตรเชื่อฟังและให้เกียรติแก่บิดามารดานะคะคำว่าเชื่อฟังในภาษากรีกอ่านว่า μ ู ρ า υ ρ ε นะคะในภาษากรีกนะคะหมายถึงการฟังและเชื่อนะคะดังนั้นลูกมีหน้าที่ที่ต้องเชื่อฟังคอยรับฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่นะคะมีสำนวนไทย ได้กล่าวไว้ว่าอาบน้ําร้อนมาก่อนอาบน้ําร้อนมาก่อนหมายถึงเกิดก่อนนะคะจึงมีประสบการณ์มากกว่าเวลาที่พ่อแม่พูดหรือว่าสอนอะไรก็ตามเนี่ยให้เราที่จะเชื่อฟังท่านนะเพราะว่าสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่เสียหายเพราะท่านรู้มาก่อนเคยผ่านมาก่อนบางคนก็จะบอกว่าฟังชั้นสิชั้นผ่านมาก่อนชันอาบน้ําร้อนมาก่อนทอนะเงยบางคนเวลาเราถูกสอนใช่ไหมคะแต่ส่วนมากแล้วเนี่ย คนที่เป็นลูกเนี่ยจะไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่มากสักเท่าไหร่นะคะยิ่งยิ่งในปัจจุบันเนี่ยสังคมก้าวหน้าไปมากะคะยิ่งให้อยู่กับอินเทอร์เน็ตอยู่ใน โ, โลกออนไลน์ Facebook ต่างๆนะคะเราก็จะใช้คำพูดหรือว่าอะไรต่างๆที่เรียนแบบในโลกออนไลน์มาใช้นะะโดยเฉพาะคำพูดเองที่พูดไม่สุภาพนำคำพูดมาพูดกับพ่อแม่พูดแบบไม่ไม่มีหางเสียงหรืออะไรต่างๆ การใช้ความรุนแรงนะคะก็ติดมาจากเกมนะคะการใช้ความรุนแรงหรือว่าเาทําในสิ่งที่ไม่ดีเป็นขโมยหรือว่ า, าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะจะทําให้คนที่เป็นลูกเนี่ยเกิดความไม่เชื่อฟังพ่อแม่นะคะชอบเป็นเด็กหัวดือ้อนะคะบางคนอวดเก่งอวดฉลาดหรือว่าการที่ลูกได้รับการศึกษาสูงเนี่ยจะทําให้การเชื่อฟังพ่อเชื่อฟังแม่เนี่ยลดน้อยลงนะคะ เคยได้ยินคนนึงนะคะได้กล่าวไว้ว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ฉลาดแต่การที่เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ฉลาดกว่านะคะแต่น้อยคนนะคะที่อยากจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยชอบที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองมากกว่านะคะดังนั้นนะคะการที่จะเป็นลูกที่รักเป็นลูกรักของพ่อของแม่ขององค์พระูเป็นเจ้าเนี่ยเราจะต้องมีการเชื่อฟังคะ เพราะว่าพ่อพีบอกว่าทาอย่างนี้เป็นสิ่งที่ถูกนะถึงแม้ว่าเราจะเรียนสูงกว่าพ่อแม่แต่เราควรจะเชื่อฟังท่านยอมที่จะรับฟังคำสอนของท่านเพราะว่าสิ่งที่ที่ท่านได้สอนนั้นเป็นสิ่งที่ท่านรู้แลวก็เคยผ่านมาก่อนส่วนคำว่าให้เกียรตินะคะคำว่าให้เกียรติหมายถึงเกรงใจเคารพยกย่องนะคะ คำว่าบิดาในข้อนี้ไม่ได้หมายถึงไม่ได้หมายถึงพ่อเท่านั้นแต่ยังหมายถึงพระเจ้าพระบิดาและยังหมายถึงบรรพบุรุษของเราอีกด้วยนะคะดังนั้นนะคะลูกมีหน้าที่ที่จะต้องให้เกียรติเกรงใจแล้วก็ยกย่องคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะคะเพื่อเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะว่าเป็นพระบัญญัติข้อแรกนะคะเป็นพระบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญาไว้คือใน ในโอพยพนะคะบทที่ยี่ได้พูดถึงบัญญัติสิบประการนะคะในข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สี่เป็นบัญญัติที่มนุษย์จะต้องทํากับพระเจ้าจะต้องทําต่อพระเจ้านะคะนั่นก็คืออย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเราอย่าทํารูปเคารพสําหรับตนอย่าออกพนามอย่างไม่สมควรจงระลึกถึงวันสะบาโตถือเป็นวันบริสุทธิ์นี่คือพระบัญญัติที่มนุษย์จะต้องทําต่อพระเจ้าส่วนข้อที่ห้าถึงข้อที่สิบนะคะ เป็นบัญญัติที่มนุษย์จะต้องทำกับมนุษย์ด้วยกันข้อแรกก็คือจงให้เกียรติแก่บิดามารดาอย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีอย่าลักทรัพย์อย่าเป็นพยานเท็จอย่าโลภของเพื่อนบ้านสิ่งไหนที่เป็นสิ่งแรกนะคะมักสำคัญเสมอนั่นคืออะไรคะนั่นก็คือการให้เกียรติแก่บิดามารดานี่คือพระบัญญัติที่มนุษย์จะต้องทาต่อมนุษย์ด้วยกันนะคะ ดังนั้นนะคะลูกจึงต้องให้เกียรติแก่บิดามารดาของตัวเองเพราะว่านี่เป็นคําสั่งของพระเจ้าค่ะและเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพื่ออะไรคะในพระวจนะของพระเจ้าได้บอกว่าเพื่อเราจะไปดีมาดีได้คือได้รับการอวยพรจากพระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าจะทําอะไรจะไปที่ไหนพระเจ้าจะอวยพ ร, พรเราค่ะและจะมีชีวิตที่ยืนนานนี่คือผลที่จะได้รับเมื่อเราได้ให้เกียรติแล้วก็เชื่อฟังคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ มีเรื่องเรื่องนึงนะคะที่ข้าพเจ้าอยากจะให้พี่น้องได้ดูด้วยกันนะคะเป็นคลิปสั้นๆเป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่ขาดแม่เขาอยู่กับพ่อสองคนนะคะพ่อของเขาเนี่ยหูหนวกเป็นใบ้พูดไม่ได้คะเลี้ยงลูกคนเดียวมาตลอดค่ะเดี๋ยวเราดูด้วยกันนะคะว่าเป็นยังไงหนูอยากได้พ่อที่ดีวันนี้ พ่อที่ไม่เป็นใบพ่อที่เหมือนคนอื่นพ่อที่ได้ยิน ในสิ่งที่หนูอยากบอกพอที่พูดได้แล้วก็เข้าใจหนูได้ บางทีอาจจะไม่มีพ่อที่ดีที่สุดแต่มีพ่อที่รักคุณมากที่สุดดูแลคนที่ดูแลคุณคลิปที่เราได้ดูไปเมื่อสักครู่นะคะจะเห็นว่าพ่อถึงแม้ว่าจะเป็นใบ้แต่เขาก็รักลูกคะพยายามสอนลูกให้ทําในสิ่งที่ดีคะแต่ลูก กลับมองไม่เห็นในสิ่งที่พ่อทำให้อายที่มีพ่อเป็นใบ้่ะทตัวเกเรพระเจ้าอยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะว่าคนในครอบครัวคือคนที่รักเรามากที่สุดนะคะเป็นบุคคลที่จะไม่มีวันทิ้งเราไปไหนนะคะให้เรารู้จักที่จะเชื่อฟังคำสอนของท่านให้เกียเขารบท่านถึงแม้ว่าพ่อแม่บางคนอาจจะพิการเหมือนอย่างในคลิปเมื่อสักครู่นะคะหรือว่าบางคนอาจจะนอนนิ่ง ไม่สามารถขยับตัวได้หรือว่าบางคนอาจจะแก่มากชลามากแต่อยากจะหนนใจนะคะว่าท่านเป็นคนที่ดูแลเราเป็นคนที่ให้ชีวิตกับเรานะคะอยากจะหนนใจพี่น้องว่าให้เราที่จะเชื่อฟังแล้วก็ให้เกียรติท่านนะคะประการที่สองนะคะรักลูกนะคะรักลูกในข้อที่สี่ได้บอกว่าฝ่ายท่านผู้เป็นบิดาอย่ายัว่วบุตรของตนให้เกิดโทสะ แต่จงอบรมบุตรด้วยการสั่งสอนและการเตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าหน้าที่ของพ่อแม่ก็คืออย่ายั่วโทรศับุตรนะคะอย่ายั่วโทรศลูกนะคะคือพ่อแม่จะต้องไม่บังคับให้ลูกปฏิบัติตามความต้องการของตัวเองอย่างไม่มีเหตุผลนะคะแม้ว่าพ่อแม่จะมีสิทธิ์ที่จะให้ลูกทําตามแต่ว่าบางครั้งคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เราก็ต้องยอมสละสิทธิ์นั้นนะคะเพื่อที่จะ ไม่ทำให้ลูกเนี่ยเกิดความโกรธความขัดเคืองใจหรือว่าความไม่พอใจนะคะแต่บางครั้งแม้ว่าพ่อแม่จะไม่มีสีบังคับลูกแต่ก็ไม่ได้ใช่แต่ไม่ใช่ว่าจะต้องตามใจลูกไปซะทุกอย่างนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ลูกเนี่ยได้ใจแล้วก็เสียคนนะะผู้เป็นพ่อเป็นแม่คน ะ, ะจะต้องมีเหตุผลเวลาที่จะให้ลูกทำอะไรไม่ใช่เป็นการบังคับหรือว่าการฝืนใจเขานะะต้องเข้าใจว่า ลูกเ น, นี่ยต้องการอะไรพ่อแม่จะต้องเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นคนที่ใกล้ชิดลูกมากที่สุดแต่ในปัจจุบันนี้นะคะคนที่ใกล้ชิดลูกเนี่ยกลับไม่ใช่พ่อแม่แต่กลับเป็นเพื่อนคนที่ได้คนที่เพื่อนคนที่ลูกจะปรึกษาเนี่ยก็คือเพื่อนนะคะพ่อแม่กลับเป็นคนสุดท้ายที่จะรู้เรื่องของเรื่องของ ร, รู้เรื่องของลูกนะคะเราทั้งหลายเห็นตัวอย่างมากมายนะคะที่คนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยใช้สิทธิ์ในการบังคับลูกของตัวเอง บางคนบังคับลูกให้เรียนในสิ่งที่ตัวเองต้องการสิ่งนั้นเนี่ยลูกไม่ได้ถนัดแต่พ่อแม่บอกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีนะลูกเป็นอนาคตของลูกนะบางคนลูกบางคนนะคะก็ยอมเรียนเรียนจนจบแต่ว่าพอจบมาแล้วก็ไม่ได้ใช้สิ่งนั้นก็ต้องกลับไปเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะบางคนยังเรียนไม่ทันจบนะคะค่าตัวตายก็มีเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าได้รับความกดดันจากพ่อแม่ ได้เกิดความเครียดะคะ่เวลาเรียนเรียนไปเครียดไปเพราะว่าสิ่งนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่ตัวเองชอบเป็นสิ่งที่พ่อแม่ให้ลูกเรียนใช่ไหมคะนั่นคือปัญหาอย่างหนึ่งะคะที่ในปัจจุบันนี้ที่เกิดขึ้นลูกบางคนปฏิเสธปฏิเสธจนเกิดการเขาเรียกว่าครอบครัวแตกแยกนะคะบางคนบอกว่าหนูไม่เรียน พ่อแม่ก็ไปเรียนเองสีหรืออะไรต่างๆก็เกิดการแตกแยกในครอบครัวขึ้นอีกนะคะดังนั้นนะคะพ่อแม่จะต้องเข้าใจลูกเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการแต่ไม่ใช่การตามใจลูกไปทุกเรื่องนะคะพ่อแม่จะต้องอบรมบุตรด้วยการสั่งสอนและการเตือนสตินะคะ่ะอบรมนะคะภาษา ก, กรีกอ่านว่าเ e อ็กเลโฟนะคะอาจจะยากนิดนึงนะคะ หมายถึงเลี้ยงดูคะเลี้ยงดูอบรมผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องเลี้ยงดูลูกคะด้วยอาหารด้วยความรักด้วยการเอาใจใส่ทั้งฝ่ายร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณนะคะไม่ใช่บํารุงด้านใดด้านหนึ่งนะคะเราได้ให้ความรักกับลูกหรือเปล่าเราได้ให้ความอบอุ่นได้ให้ความเอาใจใส่หรือเปล่าและด้านจิตวิญญาณล่ะคะเราได้ให้ลูกอธิษฐานไหม อ่านพ่ะอ่านพระคัมภี์เราได้ให้ลูกได้ทำหรือเปล่าคะส่วนการสั่งสอนนะคะหมายถึงการตีสอนการบอกให้เข้าใจแล้วให้ทำตามคะสอนให้ติดจนเป็นนิสัยสิ่งไหนที่ดีสิ่งไหนที่ไม่ดีสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องสอนเขาคะอ่านพระคัมพี์อธิษฐานเราได้ทำให้เขาจุติดจนเป็นนิสัยหรือเปล่าหรือว่าพ่อแม่ก็ไม่ทำ ลูกจะทำอะไรก็จะทาอะไรก็ได้ไม่ทำอะไรก็ได้อย่างนั้นเหรอไม่ใช่นะคะแต่ว่าให้เราที่จะสั่งสอนเขาโดยการที่สอนเขาสอนเขาตั้งแต่เล็กๆนะคะบ่มเพาะเขาะคะให้สอนจนติดจนเป็นนิสัยและการเตือนสตินะคะหมายถึงการทำให้ระลึกถึงทำให้รู้โดยการต่อว่าการติเตียนนะคะสอนให้รู้สำนึกตัวสิ่งไหนที่ไม่ดีให้เราบอกเขาเตือนเขา แต่สิ่งหนที่ดีก็บอกว่าสิ่งนั้นดีและให้เขาที่จะทําต่อไปนะคะให้เราที่จะอบรมสั่งสอนแล้วก็เตือนสติปัญหาที่สําคัญอย่างหนึ่งในครอบครัวปัจจุบันนะคะก็คือพ่อแม่ไม่มีเวลาให้กับลูกปล่อยลูกให้ใช้ชีวิตอิสระมากจนเกินไปนะคะใช้เงินในการเลี้ยงดูลูกแทนที่จะใช้ความรักและความเข้าใจนะคะคระบอรบครัวบางครอบครัวนะคะพ่อแม่ออกไปทํางานตั้งแต่เช้านะคะ ลูกตื่นขึ้นมาก็กินข้าวออกบ้านไปเรียนไปเล่นไปเที่ยวกับเพื่อนไปเล่นกับเพื่อนนะคะพอกลับมาตอนดึกพ่อแม่ก็ยังไม่กลับบ้านลูกก็นอนหลับก่อนพอตื่นเช้ามาพ่อแม่ก็ออกจากบ้านก็ไม่เจอกันนะคะต่างคนต่างใช้ชีวิตนะคะกลับเข้าบ้านมาอีกทีก็ดึกแล้วนะคะพอเสาร์อาทิตย์เนี่ยเจอหน้ากันก็ไม่ได้คุยกันค่ะก้มหน้าแชทมือถือเป็นไงคะลูกอยู่ข้างบนพ่ออยู่ข้างล่างแชทหากันนะคะ อยู่ในบ้านเราได้มีโอกาสที่จะคุยกันบ้างหรือเปล่าหรือว่าเราเป็นพวกสังคมก้มหน้านะคะอยู่ในบ้านก็กินข้าวก็ต่างคนต่างกินหรือเปล่าให้เราที่จะอลองนึกถึงครอบครัวของเราดูนะคะเงินทองและสิ่งของะคะ่ะเป็นสิ่งที่จำเป็นก็จริงแต่ความรักเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าการที่ให้ความรักความอบอุ่นในครอบครัวเป็นสิ่งที่จาเป็นที่สุดนะคะสคัญที่สุดดังนั้นนะคะพ่อแม่ มีหน้าที่จะที่จะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนลูกให้อยู่ในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้านะคะเพื่อที่เขาจะไม่หลงไม่หลงออกจากทางของพระเจ้านะคะสอนเขาะคะเป็นแบบอย่างให้กับเขาไม่ใช่ว่าพ่อแม่พูดพูดพู ด, พ, ดพูดอย่างเดียวแต่ไม่ทำตามแต่ไม่แต่ไม่ได้ปฏิบัติให้ลูกเห็นนะคะบอกว่าลูกวันนี้ในกรุงเทพนะคะอาจจะ อาจจะดูยากนิดนึงที่บอกว่าลูกไปโบสไปโบสคนเดียวนะคงไม่ได้นะคะเพราะว่าโบสอยู่ไกลนะคะแต่ถ้าเป็นแบบคิดจากรอบนอกเนี่ยก็บอกว่าลูกไปคนเดียวเลยนะพ่อแม่ทําอะไรคะดูหนังดูมวยวันนี้ถ่ายทอดสดอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเราอยู่ในกรุงเทพนะคะการที่เราจะมาโบสเนี่ยก็ต้องรอพ่อรอแม่ใช่ไหมคะนั่นก็คือเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะที่ว่าเราจะมาโบสด้วยกันพร้อมแบบครอบครัวนะคะ ครอบครัวของเราจะดีได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับทุกคนสมาชิกทุกคนในครอบอนะครัวค่ะลูกมีหน้าที่ของลูกที่จะต้องปฏิบัติพ่อแม่มีหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องปฏิบัตินะคะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะเพื่อที่จะเสริมสร้างซึ่งกันและกันลูกก็เชื่อฟังพ่อแม่นะคะ่ะเมื่อเราทาเมื่อเราเชื่อฟังให้เกียรติแล้วก็ยกย่องเนี่ยพระพีก็ได้บอกไว้อย่างชัดเจนว่าพระเจ้าจะอวยพรเรา ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเราจะทําอะไรพระเจ้าจะจะอวยพรเราจะช่วยเรานะสำหรับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะคะลูกฟังเขาด้วยพระวจนะของพระเจ้านี่คือสิ่งที่สําคัญนะคะปลูกฟังด้วยพระวจนะของพระเจ้าเป็นแบบอย่างให้เขาได้เห็นน ะ, ะไม่ใช่เพียงแค่พูดนะคะแต่ให้เวลากับเขาใช้เวลากับลูกนะคะรับฟังคําที่ลูกจะบอกรับฟังคํำปรึกษาจากลูกนะคะให้ความรักให้ความเข้าใจไม่ใช่ใช้อํานาจ ในการตัดสินหรือว่าบังคับลูกนะคะแต่ให้เขามีอิสระภายใต้ขอบเขตที่เร า, เาให้ไว้กับเขาคะถ้าทุกคนในครอบครัวะคะรู้จักหน้าที่ของตัวเองและปฏิบัติตามครอบของท่านจะเป็นครอบครัวที่ดีตามแบบพระเยซูคริสต์อย่างแน่นอนนะคะและจะเป็นรากฐานที่เข้มแข็งต่อคิดจกักต่อชุมชนต่อสังคมและพระเจ้าจะได้รับเกียรติผ่านทางชีวิตของเรานะคะก็ในบ่ายวันนี้ข้าพเจ้าอยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะที่จะ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 แต่จงอบรมบุตรด้วยการสั่งสอนและการเตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าไว้วาทุกคนคให้เราร่วมใจกันอธิษฐานค่ะแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ในบ่ายวันนี้ที่มาถึงข้าวไทยทุกคนให้ข้าวไทยทุกคนที่จะทำหน้าที่พ่อแม่และลูก ในการที่จะเป็นครอบครัวที่ดีตามแบบพระเยซูคริสต์พระบิดาเจ้าข้าขอบคุณพระองค์สำหรับความรักความเมตตาที่พระองค์ทรงมีให้ต่อข้ามหลายทุกๆคนทุกๆครอบครัวขอให้พระวจนะของพระองค์ในบ่ายวันนี้ที่จะให้ข้ามหลายทุกคนดำเนินไปกับพระองค์พระบิดาเจ้าข้าขอบคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างขอมอบไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน